เมื่อสักสามสบกปีก่อนนะมีเด็กอินเดียคนหนึ่งนะอายุประมาณสักห้าขวบบ้านก็ยากจนนะอยู่ในชนบทพี่ชายเนี่ยอาชีพหนึ่งก็คือการไปลักขโมยทานหินจากตู้รถไฟเพื่อมาขายแล้วก็เอาเงินมาซื้ออาหารก็ทํางนี้ทุกคืนนะ น, นะด้วยการเดินทาง นั่งรถไฟนะไปอีกเมืองหนึ่งก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ช่วงเวลาค่ำคืนนี่แหละลักขโมยเด็กคนเนี้ยเด็กอายุหกขวบเนี้ยเห็นพี่ชายทำแบบนี้ทุกคืนก็อยากจะลองดูบ้างรบเร้า ว, ว่าให้พี่ชาย น, ะนั่งรถไฟนะไปยังที่ที่พี่ชายเนี่ยนะอ่ ลักขโมยเด็กก็ไม่เคยรู้ภาษีภาษาหรอกพี่ชายก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่ากลางค่ากลา ง, งคืนเนี่ยมันลำบากแต่สุดท้ายก็ทนรับร้อนไม่ได้นะก็ให้น้องชายเนี่ยขึ้นรถไฟไปด้วยกันก็ต้องแอบขึ้นนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเงินจุดไม้เนี่ยมันต้องต่อรถไฟอีกที่สถานีหนึ่งนะก็เลยต้องลงเพื่อที่จะต่อรถไฟไปอีกคันหนึ่ง บอกว่าน้องชายเนี่ยเด็กอายุห้าขวบเนี่ยง่วงมากเลยนะพี่ก็เลยบอกว่าน อ, นอนที่สถานีตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปต่อและเสร็จทุระแล้วเนี่ยจะกลับมารับเด็กเนี่ยตัวน้องเนี่ยนอนอยู่พักใหญ่นั้นตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นพี่ชายแล้วก็รอพี่ชาย พี่ชายก็ไม่มารับสักทีนะจนกระทั่งเกิดแบบสว่างแล้วไม่รู้ทำไงนะก็เลยคิดว่าเรานั่งรถไฟกลับดีกว่ากลับบ้านเด็กๆไม่รู้น่ะว่ารถไฟเนี่ยนะมันมีหลายสายหลายขบวนมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ขบวนเดียวที่ะแะผ่านบ้าน พอึ้นรถไฟเนี่ยว่ารถไฟผิดกระบวนมันพาไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ติดอยู่ในรถไฟเนี่ยหลายวันทีเดียวนะว่าเด็กไม่รู้นี่จะลงที่สถานีไหนก็นั่งไปเรื่อยๆรากว่าไปสุดทางที่กาลกัตตาโวมันไกลามากแลยจากบ้านเดิมเนี่ยเด็กนี่ออกมาจาก สถานยนต์รถไฟ่ังงงเลยนะคนมันแย่ๆไปหมดเลยลรถก็พลุกพล่าไม่เหมือนกับหมู่บ้านของตัวเลยและที่แย่คือว่าพูดภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่กาะกัตตาไม่ได้เพราะกาะกัตตานี่ก็พูดภาษาเบงกอลีเด็กเนี่ยมานากชนบทอีกรัฐอื่นนะรัฐที่ไกลามากเลยพูดคนละภาษาพูดไม่รู้เรื่อง จะบอกใครว่าตัวเองบ้านอยู่ไหนก็พูดไม่ได้เพราะจำหมู่บ้านไม่ได้นะจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้จำนามสกุลตัวเองยังไม่ได้เลยโอ้เด็กนี่ตกใจมากไนงะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะอายุแค่หาขวบก็เลยก็ต้องกลายเป็นเด็กแร่ล่อนอยู่แถวรอบๆสถานีนะ คิดดูนะเด็กที่มีพ่อมีแม่ดูแลแล้ววันดีคืนดีนี่พลัดที่นาคาที่อยู่การเปเด็กเลอลอนต้องไปรับจ้างบ้างนันรับจ้างไม่ค่อยได้เรอก็ต้องขมโมยนะร่วมแกงกับเด็กข้างถนนหลายทิตเลยนะจนิรทางถูกตำรวจจับได้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะสุดท้ายเนี่ยเด็กก็รู้ว่าตำรวจก็รู้ว่าเนี่ยพลัดบ้านแล้ว ก็เลยจับไปส่งอ่าไม่เรียกว่าอะไรสถานเด็กกำพร้าไปอยู่ไปฝากไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก็มีคนใจดีนะเขาก็ติดประกาศตามหาพ่อแม่แต่ว่าติดประกาศไปก็ไม่ได้ผลนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยนะซึ่งอยู่ไกลเลยนะอ่านหนังสือไม่ออก และคนลบาบัสาด้วยก็เลยต้องติดค้างอยู่ที่สถานเด็กกําพร้าเนี่ยนานทีเดียวนะแต่ว่าวันหนึ่งโชคดีนะมีคนมารับไปอุปการะคนที่รับไปอุปการะเนี่ยเป็นฝรั่งนะอยู่ออสเตรเลียเนื่องจากเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีพ่อมีแม่แล้วติดต่อไม่ได้สถานเด็กกําพร้าก็เลยอนุ ญ, ญาตนะให้ครอบครัวเนี่ย พ่อครอบครัวออสเตรเลียเนี่ยรับไปนะเป็นลูกบุญธรรมก็กลายเป็นว่าเนี่ยจากกาลกัตตานี่ต้องต่อเดินทางต่อไปยาวถึงออสเตรเลียเมลเบิร์นะ Melbourne. แล้วก็ถูกเลี้ยงดูนะจนโตเลยนะเป็นหนุ่มเลยอายุยี่สิบกว่ามีชื่อใหม่เลยนะานามสกุลเป็นฝรัง่งนะ ตามพ่อแม่บุญธรรมชีวิตก็ดูจะไปได้ดีนะเพราะว่าความรู้ก็มีจบมหาเทลอรพ่อแม่ก็อุปการะดูแลใจใสแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยนะลึกๆเนี่ยก็ยังมีความไม่สบายใจเพราะว่าคิดถึงบ้านโดยพาะวันหนึ่งเนี่ยไปกินอาหารแขกนะได้กลิ่น เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยสมัยเป็นเด็กนะก็เลยคิดถึงบ้านมากเลยแล้วก็นึกถึงพ่อแม่ที่แท้ของตัวนว่าจะอยู่อย่างไรจะทุกข์ทรมานอย่างไรนะที่ลูกหายไปเนี่ยเป็นเวลาถึงยี่สิบกว่าปีแต่ว่าจะไปตามหาพ่อแม่หรือกลับไปบ้านได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้เลยนะ ว, ว่าหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยหมู่บ้านอะไร รัฐอะไรยังไม่รู้เลยเพราะเด็กตอนนั้นเล็กมากนะนามสกุลของตัวเองก็ไม่รู้รู้แต่ชื่อจริงนะสั้นๆ น, นะทำยังไงนะก็มีเพื่อนแน่ว่าเนี่ยลองใช้ Google Earth เลยเพราะว่าเด็กเนี่ยแม้จะจำชื่อไม่ได้หมู่บ้านรัฐแต่ว่าคงจะพอจะจำสถานที่ได้บ้าง คงจะบ้านเกิดเนี่ยก็คงจะมีสถานที่บางแห่งนะที่คุ้นเคยอยู่แต่ก็เสี่ยงนะเพราะว่าเวลา2ี่ปีสถานที่ที่คุ้นเคยเนี่ยหรือแม้แต่สถานที่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ว่าหนุ่มคนนี้นี่แกก็ไม่ลดละความพยายามนะทำงานเสร็จนี่ก็กลับมาบ้านเนี่ยก็ ใช้ Google Earth เนี่ยค้นเลยนะกูเกอร์เนี่ยมันมีภาพถ่ายสถานที่นะแล้วก็สามารถขยายได้อินเดียมันกว้างใหญ่ไพศาลนะขนาดเป็นอนุทวีปเลยหนุ่มคนนี้ก็ไม่ลดละความพยายามเนี่ยพยายามที่จะใช้ Google Earth เนี่ยส่องไปเรื่อยๆนะใช้เวลานี่คงจะหลายเดือนเลยนะ เพราะว่าภาพครูก็เออที่เห็นแต่ละภาพแต่ละภาพมันก็เนื้อที่กินเนื้อที่ก็มีกี่ตารางเมตรอ่ะสุดท้ายไปเจอก้อนหินนะไปเจอหมู่หินอยู่หมู่หนึ่งนะจาได้แล้วตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยเคยเห็นไอ้ก้อนหินกลุ่มนี้นะมันเค่เป็นหน้าผาเนี่ยก็เลยเช็คว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะหมู่บ้านอะไรตําบลอะไรรัฐอะไร แล้วก็เดินทางไปเลยนะเดินทางไปโดยที่ไม่รู้นะว่าจะไปเจออะไรบอกว่าได้กลับไปบ้านตัวเองในที่สุดนะไม่น่าเชื่อเลยนะจากภาพภาพเดียวนี่มันเป็นสื่อที่พาตัวเองเนี่ยกลับไปสู่บ้านและโชคดีนะแม่ก็ยังอยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้ย้ายไปไหนแม่นี่พอเห็น หนุ่มวันนี้โอ้ยดีใจมากเลยแล้วแม่ก็บอกเนี่ยตัวเองเนี่ยมีความหวังเสมอนะว่าลูกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และวันหนึ่งก็จะรอดกลับและวันหนึ่งก็จะกลับมาและนี่เกิดผลที่แม่เนี่ยไม่ยอมย้ายบ้านนะโอ้ความรักของแม่นี่ยิ่งใหญ่นะยังมีความหวังว่าลูกเนี่ยซึ่งหายไปยี่สิกว่าปีจะกลับมาก็เลยไม่ยอมย้ายบ้านเราะคิดว่าเนี่ยลูกเนี่ยถ้ากลับมาจุดที่ตัวเองเคยเป็นเด็กเนี่ยก็คงจะได้เจอแม่ ไอ้ตอนนั้นน่ยพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วล่ะเพราะเด็กก็ไอ้หนุ่มคนนั้นก็ลืมภาษาไปแล้วแต่ว่าในสุดก็ได้กลับบ้านเป็นความสุขมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันน่าสะใ จ, จ น, นะแล้วก็น่าทึ่งมากนะคนที่ทิ้งหรือจากบ้านไปยี่สิกว่าปีเนี่ยแต่อะไรที่ทําให้การกลับมาบ้านกลับมาเจอพ่อแม่เกิดขึ้นได้ก็เพราะความรักความคิดถึงคิดถึงบ้าน คนเราเนี่ยเมื่อมีความผูกพันในบ้านนะมันก็ย่อมหาทางที่จะกลับมากลับบ้านให้ได้และจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีบ้านทางกายนะมันมีบ้านทางใจด้วยคนเราเนี่ยรู้นะว่าบ้านที่ตัวเองเกิดหรือบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยเป็นมันอยู่ไหนส่วนใหญ่รู้ หรือถึงแม้อยู่ห่างไกยก็คิดถึงแต่ว่าบ้านเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยไม่ได้สร้างโดยอิฐก่อด้วยปูนอย่างเดียวนะบ้านในใจเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนกันคนเรารู้จักแต่บ้านทางกายนะแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านทางใจนี่มีอยู่ผลก็คือคนจํานวนมากเนี่ยจิตใจเนี่ยมันก็เมื่อคนไร้บ้านนะจิตใจเป็นจิตที่จดจัดนะลืมไปว่าตัวเองมีบ้าน บ้านของใจนะบ้านของใจคืออะไรนะอย่างตรงตามก็คือกายนะกายนี่คือบ้านของใจถ้าคนเราเนี่ยรู้จักนะทำกายเป็นบ้านของใจเนี่ยเวลาใจมันลอยไปไหนนะหลายประวตลอยไปอนาคตเนี่ยตกลงกรรมลำบากเพราะความคิดนึกในเรื่องอดีตอนาคตหรือความกังวลในอนาคตเนี่ยมันจะนึกถึงบ้านแล้วก็กลับมา พอใจกลับมาที่กายนะมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความอดอุ่นสละความทุกข์กไปได้เนราเราต้องรู้จักนะทากายให้เป็นบ้านของใจหรือทําความคุ้นเคยว่าเนี่ยกายนี่คือบ้านของใจนั่นที่เราเจริญสติกันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยให้มารู้กายรู้กายเนี่ยก็เพื่อให้ตระหนักว่าเนี่ยกายเนี่ยมันเป็นที่พักพิงของใจได้ เมื่อรู้กายนะหรือว่าเมื่อรู้สึกว่ากายทําอะไรใจก็มาอยู่กับกายรู้เนื้รู้ตัวมันก็หลุดจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้เวลาเราใจลอยเวลาเราจมอยู่ในความทุกขนะ์นึกถึงกายเมื่อไหร่กลับมาบางก่อนจะนึกถึงลมหายใจบางก่อนจะนึกถึงมือที่ขยยับไปมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยดึงจิตให้กลับมาอยู่กับกาย แล้วต่อไปก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่กายที่เป็นบ้านแท้จริงเนี่ยคือปัจจุบันนะปัจจุบันนี่แหละคือบ้านบ้านของใจทําความคุ้นเคยเอาไว้นะร ะ, ะลึกนึกถึงเอาไว้ว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือบ้านของใจเวลาใจมันทุกข์เพราะไปจมอยู่กับอดีตไปหมกมุ่นกับอนาคตที่สร้างภาพในทางลบทางร้ายมันระลึกถึงบ้านระลึกถึงปัจจุบันขึ้นมาเพราะปัจจุบันคือบ้านเหมือนกัน น, นุ่งวนี้นะ ไม่ว่าทำไรเนี่ยก็ยังนึกถึงบ้านชีวิตเนี่ยจะยังไม่แล้วนะจะยังไม่แล้วเสร็จนะจนกว่าจะได้กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็รู้สึกเต็มอิ่มนะเติมเต็มในจิตใจแต่แค่นั้นไม่พอนะนะอย่างที่ว่าแม้เราจะรู้ว่าบ้านของเราคืออะไรแต่ให้ล้วนนั่นคือบ้านทางกายอย่าพาแต่กายเนี่ยกลับบ้านต้องพาใจกลับบ้านด้วยและบ้านที่ว่าที่เราควรจะระลึกนึกถึงอยู่เสมอนะัก็คือปัจจุบันขณะ